อ่าหน้าร้อยแปดสิบห้าข้อที่เจดสิบเก้านะครับข้อก็สั้นสั้นนะครับแต่คำทธิบายยาวมากเลย <c oughs> พิสูจนรูปใดให้ฉันท่าแก่กรรมทั้งหลายที่ชอบทำแล้วพึงถึงการตีเตียนทายหลังต้องอาานบิปาจิตตีนะครับอ่าอันนี้ท่านจะอธิบายเรื่องกรรมก่อนกรรมหมายถึงสังกรรมนะครับมีสี่อย่างใช่ไหม อัปโรกนกรรมอิญติกรมกรมยจูจุติยกรรมอิดิจุตถกรรมถ้าทายตอบไม่ได้เนี่ยโหแสดงว่าไม่ผ่านเลยนะเนี่ยเอาแค่กรรมสีอย่างคืออะไรบ้างแสดกรรมสอย่างนีอะไรบ้างเนี่ยถ้าตอบไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านเลยนะครับเนี่ยง่ายที่สุดแล้ว น, น, นคะครับเอาแค่หัวข้อนี่แหละอัอปโรกนกรรมยติกรมกรมยจุติยกรรมอติจุตถกรรมใช่ไหม <c oughs> อภโรกับกรรมคร่าวๆกรรมที่มีการอะไรนะอภโรนครับคือการประกาศบอกเล่าเพื่อส่งทราบด้่ยเองครับประกาศบอกเล่าแล้วก็เอาตามความฉลองผสมนะเขาจะถามเราเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ถามสองว่าชอบใจเกิดสองหรือสามครั้งใช่ไนมครับอย่าที่ทํากันนะถ้าประสงค์นิ่งครั้งนี้หนึ่งนี่ครั้งนี้สอ ง, งนี่สามนิ่ง ก็เสริมประสงค์เห็นด้วยใชไหมครับก็ป ร, ปรุปกนกรรม <c oughs> ยศติกรรมเนี่ยก็ทํำในการตั้งยศติอย่างเดียวตั้งยศติประกาศเพื่อส่งสร้างนะจะใช้ได้ยตดุติยกรรมนี่ตั้งยศติครั้งหนึ่งใช่ไหมครับส่วนอนุสาวนาส่วนถานอีกครั้งหนึ่งครับ อ, อันนี้ที่เป็นนี้เพราะว่ากรรมเริ่มจะหนักขึ้นนะถ้าปรุเป็นกรรมเบากลางกธ็ธรรมดาใช่ไหมครับแค่ปรโุบอกเล่อ่านตา่ขอข้างชอมมานะ่องสองนิดหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราไม่ดุจติยกรรมเสดงว่าเราจะมีกรรมในที่หนักขึ้น คือต้องคิดมากขึ้นนะให้เวลาสงตัดสินใจนานขึ้นนะครับจึงมีการตั้งยตินะครับให้ทราบต่อแล้วก็สวดถาม อ, อกกีก น, นะครับชุณยติศักรรมนะครับสะว่าเป็นกรรมที่หนักขึ้นมาแล้วนะครับตั้งยติครั้งนึ่งนะให้สงทราบครั้งหนึ่งแล้วก็สวดถาม อ, อีกส า, สามครั้งนะครับเพื่อใหสงมีเวลาที่ได้คิดทบทวนใช่ไหมนานหน่อยนะครับเเป็นยติศักรรมยติศักรรมแล้วก็ ถามอีกสามรอบใช่ไหมสวดสามครั้งนะครับตอนแตั้งจิติแล้วก็ถามครั้งแรกนะครับอครั้ที่สองก็ทุติยมปีาตาิตรรมทั้งวัานนี้ใช่ไม น, น ม, าา ม, นมนั่สวดปริบว่าครั้งที่สามก็แตติยมปีติตรรมทั้งวัฏฐานนี้จบนะครับนี่ครับอันนี้นะนนนะให้ฉันท่าในกรรมที่ชอบทำกรรมนั่นเป็นทรรถูกต้องอะไรสมบูรทุกอย่าง จึนก็ให้ฉันท่าความ้อใจไปแล้วนะครับในภายหลังก็กรรมติเพียงนี่นนะกรรมติเพียงกรรมที่ชอบทําซึ่งตัวนะให้ฉันท่าไปแล้ว น, น, นะครับอันนี้ก็ต้องอาแบบขาดจิตตินะครับกรรมต่อนะครับก็เป็นอย่างนะก็ยังอยู่ในเรื่องของพระเจ้าพักขีนะคะาารับศาสตร์ธร้มกกว้งวขาขงนะสาวที่ก้าเรื่องพระเจ้าพัคขี โดยสมัยนั้นพระบาทเจ้ากระถ่ออยู่หนพระเชตวันอาราของอาณาถรรมวิติกาข้ามบดีเข้มพระนครสามนาถีครั้งนั้นพระเจ้าพุทธอนาจารย์แล้วก็ทำผิดวินัยในอะไรบางอย่างนะครับเมื่อการากระสงทํากรรมแกพิสูจน์แต่ละลูปอยู่ย่อมค้านมันก็ว่าแกทําอะไรผิดใช่ไหมพระสงฆ์ก็จะลงกรรมพ่วงแกนะครับพระเจ้าพทคีนะเขาไม่ยอมครับผมค้านค้าน เมือ่อค้างก็ไม่ผ่านใช่ไหมครับเพราะว่าต้องมาตีเซลน้นนาคร้งมาลุ่มนี้ไม่ได้แล้วถ้าก็เลยลงกรำพวกแกไม่ได้ครับทีนี้ค <c> ร <oughs> ั้งสงประชุมกันด้วยกำบังอย่างาที่สงจะต้องทําเนี่ยพอค่าวหลาใช่ไหมพระสงฆ์มีกิจอะไรบางอย่างที่ต้องทำแล้วเป็นสางฆกรรมเนี่ยนะพระจบุตรคีนะครับส า, ารวนทําจีวรกรรมกันอยู่ <c oughs> ได้ให้ฉันค่าไปแก่ท่ารูปหนึ่งเขก็สง่งพวกไปรูปหนึ่งใช่ไหม ก็มอบสันทะไปนะครับทีนี้พวกเปเปอร์คีก็มารูปเดียวนะทาได้สองจึงกล่าวว่าเอาอุโบทั้งหลายพิสูรเรื่อนี้พิสูรรูปนี้เป็นพวกเปชเปอคีมารูปเดียวฉะนั้นพวกเราจะทํากรรมแก่เท่านี้นะครั บ, นะรบดังนี้และถ้าทากรรมแก่เปชเปอคีรูปนั้นนะครับลงกรรมเลยแบบนี้นะครั บ, ร ม, รบมารูปเดียวไม่มีใครค้าแล้วนะครับลงกรรมได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับ พิสุชาวเปรีรูปนั้นได้เข้าไปหาพระเจ้าเปรีพระเจ้าเปรีถามพิสุรูปนั้นว่าอาวุโสสงได้ทำอะไรแกก็ตอบว่าครับสงได้ทำกรรมแก่ผมอมรับพระเจ้าเปรีกล่าวว่าอาวุโสเราไม่ได้ให้ฉันทาไปเพื่อหมายถึงกรรมนี้ว่าสงจะทำกรรมแก่ท่านถ้าเราทราบว่าสงจะทำกรรมแก่ท่านเราจะไม่พึงให้ฉันทาไป แค่นี้นะก็ถือว่าเป็นการติเตียนแล้วนะครับเนี่ยบอกผมไม่ได้ให้ฉันท่าให้สงฆ์มาทํากรรมท่านนะถ้ารู้ว่าสงฆ์จะทําลงกรรมท่าเนี่ยผมจะไม่ฉันท่าหรอกนี่นะ น, นะนี่บรรดาผู้สุขุมบ้างน้อยสุนโ ด, ดต่างก็แท่งเทอิเตรียมปุถุนานะว่าฉันไหนประจุวัตทีให้ฉันท่าเพื่อกรำมเป็นธรรมแล้วจึงได้ถึงความผลว่าในภายหลังเล่าแล้วกราบพระเจ้าสงฆ์าบ ผูท้ทรงทรงสอบถามทรงสืบเตียนประชักพนทีแล้วก็มาอยักขาผมนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> กรรมสี่อย่างนะอันนี้ว่าไปแล้วครับเป็นธรรมให้ฉันท่าก็แล้วผมว่าทีหลังเนี่ยก็ต้องปัดกรริตตีครับอันนี้อยู่ตรงนี้นะตอนนี้ไม่ได้เป็นติการนะครับอันนี้อาจฟังในพรนะวินัปพิฎกและอาจฟังหลวครับ ไปเข้าควำทธิบายในชี้ทีเดียวเลย <c oughs> ไม่ได้เป็นติการนะครับต้องรู้ทั้งรู้ว่านะว่ากรรมนั้นเป็นธรรมใช่ไหมเราให้ชั้นท้ไปแล้วก็บ่นว่าทีหลังอันนี้ต่อไปดีถ้าเราสงสัยมันกรรมเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยใช่ไหมครับเ้าก็มาบ่นว่าทีหลังนี่น่ะอันนี้อาบัตจะบาลง เ, เป็นทุกโกรดนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจผิว่ากรรมนั้นไม่เป็นธรรมนะั้งนี้เป็นธรรมนะครับแต่เราเข้าใจว่าไม่เป็นธรรมเราบ่นว่าทีหลังนี่ไม่ต้องอาบัต เพราะว่าเป็นฐานะที่มันนั้นได้ใช่ไหมมั่ไม่เข้าใจติดกันได้ที่ก็เลยบ่นว่าที่หลังอันนี้ไม่ถูกต้องหรถ้ากรรมไม่เป็นธรรมเลยนะครับและก็เข้าใจว่ากรรมเป็นธรรมเป็นทุกข์กฏใช่ไหมสงสัยว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมบ่นว่าอย่างนั้นต้องทุกข์กฏนะครับรู้กรรมไม่เป็นธรรมี่สูจก็รู้ว่าไม่เป็นธรรมนะครับให้ฉันถ้าก็บนว่าที่หลังนี้ไม่ต้องอ่านปัจเลยเพราะกรรมมันเป็นธรรมอยู่แล้ว แล้วก็บ่นว่าแล้วก็อะไรได้นะอย่าบ่นแต่บ่นว่าเลยขนาดลื้อพื้นทำหมายยังได้เลยใช่ไหมครับท่ า, กานกรรมไมเป็นธรรมนะอุ้ยครับ <c oughs> อนาปฏิบาลที่สื่รู้อยู่ว่าสงธรรมกรรมโดยไม่ถูกทําเป็นพวกเป็นว่านะครับหรือทําแก่ที่สุ่ไม่ใช่ผู้ควรแก่กรรมบ่นว่าอะไรไปไหนรูปนั้นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับท่านกินข้าวเย็น พระสงฆกูเลจิลงปักปัจินญะกรรมท่านมันไม่ลงได้ยังไงแค่ท่ากินข้าวเย็นน่ะไม่ลงกับปัจจินญยกรรมแล้วจากว่าอะไรนี่นะนหนักเกินไปนะครับอย่างนี้นะเราต้องดูองว่านะครับมันท่านได้ขนานี้เป่าแคถ้าอาจจะพลาไปคราวหนึ่งใช่ไมอารมณปัจจินญยกรรมนี้ไม่ได้ถ้าต้องดูว่ามีผู้ที่มีลักษณะที่จะต้องลงกรรมนี้เปล่าถ้ายังไม่ถึงไม่ควรการลงกรรมนั้นนะ และผสมไปลงกรรมเท่านั้นก็บทว่าหลังได้ครับพิสุวิคณสิทธิ์พิสุวรรณพิกรกรมีการไม่ต้องอ่านอะไีครับคำ <c oughs> ที่บาลีแค่นี้นะแล้วก็มีในเรื่องที่สั้นจบเลยครับทีนี้มาดูในชีพเลยนะครับในการขายแค่ไม่ต้องดูว่าน่าจะขายไปนี่ครับเพราะว่าในชีพนี้ถือวนะ่าครูนะชีพแผนอย่างนะครับอาผ่นย่อนใช้ประกอบแผ่นนะแผ่นใหญ่นะครับ น, นี้กรรมมาาอั น, นตัวนี้อาจยลท่านรวบรวมมาแต่ในพระไตะดดะรปิฎกแต่ศาษาดีกลางนะครับในงานสัมมนานที่ไหนนะ่ะช่วงปัททะปีก่อนนูน้นครับนะปีแล้วรขาสองสามปีก่อนนูน้นไหมนม่ราเรื่องสังฆกรรมสี่อย่างกรรมมีสี่อย่างคืออันนามาโลกกรรมหนึ่งยติกรรมหนึ่งยะติทุติยกรรมหนึ่งยะติจตุธกรรมหนึ่ง เดีความที่บารก็ดูกระจางระดับนะครับเป็นหัวข้อนะ ท, าท่านจะอธิบายทุกตอนนะคราไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ดูประจางระดับเลย <c oughs> อัธยาที่บายความสานแห่งกรรมสีหนึ่งนะครอันนี้พค่ออัปโลกนักกรรมก่อ น, นนะกรมที่ต้องชำระสงผู้ที่ติดอยู่ในสีมาเดียวกันให้หมดจดหมายความว่าพระสงฆ์ที่อยู่ในสีมาเนี่ยเราต้องเอาข้อมันแห่งบัติให้หมดนั่นนะนะครับที่อยู่ในสีมาเดกันนะ ก็มาร่วมอธิบาะด้วยกันนะครับนั่นฉันท่าของพิสูจผู้ควรฉันท่ามารูปไหนมาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ให้ให้ม่อมฉันท่านะครัแต่หมายความว่าสุนทกรรมต้องครบองคสงแล้ว น, นะครบองค์ที่ว่าจะทําสุนทกรรมนั้นได้นะครับวิที่เหลือถ้าไม่มามาไม่สูดล้วก็ให้หม่อมฉันท่ามาได้นะครับเช่นในกรรมที่ต้องใช้สงจะตุวะนะครับพิสูจนสี่รูปแต่ใช้ะอะไรสวด ให้ปริวาหรือมานะักใช่ไหมก็ใช้ประสงค์สีรูปใช่ไหมครับที่สูตรสีรูปเนี่เป็นผู้คนรแก่ก ร, รมนี้ไม่ไม่ออกนะจะบอกว่าที่สูตรสีรูปนะครับกรมมากต่าต้องเข้าร่วมกัร น, นะโดยมานาสบาย น, นะครับฉันจะสวดให้ปริวามานะั้นนะอย่างน้อยใช้พระสีรูปใช่ไหมใช้พระสี่รูปนะครับเนี่ยสีรูปจะมาเข้าร่วมสบาย น, นะคะรับที่สูตรที่เหลือที่อยู่ในเขตสีมาเดียวกัน ถ้าถ้าไม่มานะท่านเรียกว่าผู้ควรจะสัมผาสนะครับที่เหลือเนี่ยเพราะศีลเราก็ทํากรรมได้แลนะครับที่เหลือไม่มาท่านเว่าผู้ควรจะสัมทัก็ต้องมอบสัมผัสท่านะคือถ้าไม่เข้าร่วมในอาธบารก็ต้องมอบสัมผันะครับแต่ถ้าอยู่นอกสีมาแล้วไม่เป็นไรนะครับอันนี้หมายถึงอยู่ในสีมาดีกันแหละไม่มาต้องมอบสัมทัเวลาทํากรรมไม่ต้องสวนกรรมวาจาหรือในเป็นต้นว่าสุนาตุเน พันเตฟังโคอันนี้ไม่ต้องเพราะว่าเป็นอั ป, ปโลงกับหน้ า, ากากนะครับแต่ว่าบางท่านก็อาจาเอามาใช้ได้นะเอามาใช้เป็นภาษาไทยนะครับอั ป, ปโลงนะแต่เอามาใช้ภาษาไทยอาจารย์คุณแม่น่ะมันใช้ข่าที้มีเจริญขอสองศงฟังคําของข้าพเจ้านี่นะครับข้าพเจ้ากับพาสเวกุลนี่นะ <c oughs> ขออะไรท่าพระโลงเนี่ยนะครับบางบางลูกก็ใช้นะเอาใช้สำนวนแต่ไม่ได้ออกกรรมวาจานะครับก็ประกาศสามครั้งเลยประกาศว่าอะไรนะครับประกาศว่านะครับข้าท่านจะเลยขอสงฆ์จงฟังคาของข้าพเจ้าเอ่ข้าพเจ้าขออนุมาตต่อสงนะครับขออนุมัติต่อสงนะครับใช้ปัจจัยสงหาเครื่องลำโพง ราคาหนึ่งพันเครื่องหนึ่งเครื่องนะครับ <c oughs> สองอร่อมชอบใจหรือนี่ไรนะไม้ครั้งที่สองนะครับการหาเครื่องลําโพงยินีีราคาหมื่นกว่าบาทสอชอบใจหรือเนี่ยนะก็ถามไปนะครับเวลาถามสองชอบใจหรือใช่ไหแล้วก็รอแปมหนึ่งว่าจะมีใครให้ทานหรือเปล่าจะถึงสามครั้งถ้าสองเป็นผู้นิ่งใช่ไหม แล้วก็เห็นครับแล้วก็บอกว่าสงเป็นผู้นิ่งนะครับนะสแสดงว่าพระสงฆ์เห็นชอบนะครับข้าพเจ้าขอสองความนี้ไว้ด้วยอาการอย่างนี้นะครับคำสรุปนะเราจะไม่สุดก็ได้รจจนนครับแต่สูดให้ชัดเจนแล้วสงมิ่งไม่มีใครคร้างนะก็ถือว่าเห็นด้วยแล้วเนี่ยย่อมชอบใจนะครับรูปเจตสังขสังนะครับนี่มีย่อมชอบใจกัสงหรือ สติยำตีม <c oughs> ัยครั้งที่สองสติยำตีมัยครั้งที่สามเนี่ยนะนะครับย่อมชอบใจแกสองหนูทำถือเอาตังมัรของสงผู้พร้อมเพียงชื่อว่าประหลงกนต่ากันนะครับก็ได้หลายอย่างนะอเช่นการสมมุติพระเจ้าที่เนี่ยก็ประหลงธรรมธรรมดานลยก็ได้นี่นะแม้แต่การออกกิการสงต่างก็ประหลงกันต่างกนก็ได้ต่อไปนะครับ กรรมที่ต้องทำด้วยยติอย่างเดียวตามมรรคของสองฆ์ผู้พร้อมเพรียงตามในที่กนแล้วนั่นแหละชื่อว่ายติกนะรรม <c oughs> ยติกรรมก็มีการสวดกรรมวาจานะแต่ว่าส่วนตั้งยตินะครับแจ้งสงสารนะแค่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ใช้ได้เลยไม่มีทุติตตินะอันนี้นะครับแต่ว่าต้องขึ้นสุนจรีม์พันเต น, น ะ, ะออกคล้าใหถูกต้องเลยถ้าประโลก น, นกรรมมีสมา เราไม่ต้องไปไกังวลหรือขลาดใช่ไหมะครับแต่ถ้านตั้งแต่ยติดยึดติกรรมเข้าไปแล้วไม่ได้ต้องใส่ใจเรงขลังนี่ยึดติกรรมหนึ่งที่อะไรครับนึกออกไหมยติกรรมที่มีการตั้งยึดติอย่างเดียวไม่มีส่วนกรรมวานการต่อแล้วนึกออกไหมเอ๊ง่ายที่เราท้าวทุกวันวันสนี้ครับอะไร ส่วนปฏิโมกนะครับลงวงสวดปฏิโมกน ะ, ะอันนี้เป็นยติเก่านะครับใต้ยติแา่สั้นๆนะส่วนที่เหลือเป็นการสวดปฏิโมกนะครับไม่เป็นกรรมวาจาสวดถามน ะ, ะไม่ถามคนทีองสงศ์นะครับเป็นการสวดปฏิโมกข์ที่ยติก็แค่นั้นน ะ, ะสุนาตุเมพันเตสังโขชุปสุโธปนารโสใช่ไหมยติสังคาสัตประตะกำลังสังโข โบสถ์ทังกนณียาปาติโมงติเสียนะครับตั้งนี้สิแค่นี้นะครับแล้วก็สวดเลยนะครอันนี้มาดูคําอธิบายนิดหนึ่งนะครับท่านจะอธิบายคําว่าอัปโลกนกักกรรมเป็นต้นนะตรงที่อาจารย์ตองเล่มาให้นะขอหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่านเฉพาภาษาไทยพอกรรมด้วแกนจิตที่สงผู้พร้อมเพียงกันจะต้องทำเชื่อการ คือกิจที่สมภพที่ต้องทํานะครับได้แก่วินัยกรรมสี่อย่างมีอปปโรกณกรรมเป็นต้นนะครับสองนะครับคําว่าอปโรกณกรรมนะการบอกเลนะ่าชื่อว่าอัปโรกนักรรมนะครับอ๋ออัปปโรกณกรรมเองกรรมการบอกเล่าตัวเองนะกรรมที่พึงทําด้วยการบอกเล่าชื่อว่าอปโรกณกรรมนี่ความแปลงนี่ น, น, นะได้แก่กรรมที่ต้องบอกเล่าพระสงฆ์ ผู้สถิตยอยู่ในสีมาเดียวกันแล้วทําตาอนุมัดแห่งสอนะครับ อ, อืมนะครับอันนี้นะอัคคีโลกนักนกรรมเป็นอย่านี้นะครับสามเนียติกกรรมนะครับการให้รู้ชื่อว่ายตินะครับญาท่าเรียนไปแนวว่ารู้ใช่ไหมของการให้รู้นะครับหมายถึงการยำทดสอให้รู้เรื่องที่เป็นข้อเสนอให้เสนออะไรนะครับอืม การที่ต้องทำด้วยการตั้งยติชื่อว่ายติกับการให้รู้ว่ให้สงแจ้งสงรู้นะได้แก่การที่คกระทำการตั้งยติรู้นู้ว่าโดยไม่ต้องสวนอนุสาวนาเลยรับไปนะครับหน้าตลบไปเลยนะกรรที่ต้องทาอนุสาวนามียติเป็นที่สองอย่างนี้คือตั้งยติไปเลยครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนอนุสาวานาสุดถามใช่มสุดถามครับสวดสุดถามนะอีกครั้งหนึ่งครับตามอนุมัติของสองผู้พร้อมเพียงโดยในที่กาแล้วนั่นแหละชื่อวะะ่ายติสุติยกรรมตอนแรกเราตั้งยติมีการแจ้งเรื่องเพือสสัยนะครับแล้วลูกสาวานาก็สวดถามอีกครั้งหนึ่งนะั่นี่ครับก็ชื่อวะะ่ายติสุติยารำอย่างเช่นอะไรครัะนี้ เม่ใชการสมมุติท่าจ้าหน้าที่นะก็ใช้ยติทุติยกรรมนี้ได้ใช้ปรโลกนกรรมก็ได้นะยติทุติยกรรมนี้ก็ได้นะครับแต่สงสร้างเจ้นาะที่นะนี่ครับแล้วก็อะไรต้นเกี่ยวกันตั้งส่วนมอบภากะถิมใช่ไหมครับอันนั้นยติทุติยกรรมเออใช่ใชชครับส่วนมอบภาคกะถิมนะอยู่ข้างล่าง โอ้มีบอกไว้เหมือนกันให้บอกไปก่อนแล้วไม่เ <c> ป <oughs> ็นไรอย่านไปเลยดีกว่าเพราะว่าอารงบอกไว้แค่แล้วนะครับนะครับต่อไปนะครกรรมที่ต้องทําด้วยอนุสาบนาสามนะครับมีการสวดถามถึงสามครั้งนะเพราะว่านี่เป็นกรรมนี่หนักหน่อยนะครับก็ต้องมีประสบการณคิดเยอะหน่อยนะาสวดถามสามครัง้งมียติเป็นที่สี่อย่างนี้คือยติหนึ่งตั้งยติครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ส่วนนุสสาวนาฐามไปสาครั้งตามมาัดของสงฆ์ผู้พร้อมเพียงโดยในดันที่กลางและนั่นแหล่ชื่อว่ายติดจตุถกรรมนะครับอย่างเช่นการบวกผ้านะครับมาสมบนญอะไรเงี้ยนะก็กจากนี้นะยติดจตุถกรรมนะครับส่วนปริว่ามานะ อ, อับทานใช่ไหมยติดจตุถกรรมเท่านั้นนะครับนี้นะเราได้ยินว่าทุกตียมปีาตัมบันทั้งวาทามาใช่ไหม มีแล้วก็สื่อมพางนะครับบาดากรรมเหล่านั้นอ ป, ปโล ก, กนญญกรรมนะครับพึง ท, ทําพียอ ป, ปรโรกการบอกเล่าเท่านั้นไม่ควรทําด้วยอํนานาจยติกรรมเป็นต้นนะครับถ้าแปลอปปโกกะโรกนญญกรรมนะก็ให้ทําด้วยอ ป, ปรโรกอย่างเดียวมันจะไม่ไม่จำเป็นต้องทําด้วยกรรมที่สูงกว่าเป็นยติกรรมนี่เขาไม่ต้องนะครับก็ประโลกได้อย่างเดียวจริงอันหนึ่งยติกรรมพึงทำโดยตั้งในในยติอย่างเดียวนะครับ ไม่ต้องทําด้วยอัปโลกนกรรมเป็นต้น อ, อย่างเ น, นสุ ป, ปฏิโมจะอั ป, ปโลกขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ได้นะครับือหรือไม่จะทาด้วยกรรมอืน่นก็ไม่ได้เยติก็ยติอย่างดีนะครับส่วนเยติทุติยกรรมนะครับกรรมที่สามารถอั ป, ปโลกทาได้ก็มีไม่สามารถอั ป, ปโลกทาได้ก็มีนะครับคือหมายก็ว่ากรรมบางอย่างนะมันทําด้วยอัปโลกก็ได้ด้วยเติทุติยกรรมมาวาจางก็ได้ ได้ทัสองแบบเลยนะครับแต่บางอย่างเนี่ยนิยติทุติยกรรมมาบาจาได้อย่างเดียวอับประโลหไม่ได้นะครับนี่นะท่านก็จะบอกในสองอย่างนั้นกรรมหนักหกอย่างนี้คือสมมติสีมานะครับนี่หนักมาก้วไม่ได้นะครับตอนนิยติทุติยกรรมอย่างเดียวสมมติสีมาท้อนสีมาให้ผ้ากรถินนะครับสวมมอบผ้ากระถินใช่ไหมตอนที่างานกรถินน่ะเข้าสวมมอบผ้าของผช่ไหมัในโบสถ์นน่ะ เนี่ยก็ยกติส ต, ติยกรรมนะครับยกแล้วอันนี้สองกฐินก็เหมือนกันพวกนี้อภิลบไม่ได้เล ย, เยต้องยติตุติยกรรมเดียว น, นะครับแล้วก็แสดงที่สร้างกุดีนะครับแสดงที่สร้างกุฏิเชียนไวที่เราเรียนในสทินคาธิเศษใช่ไหมครับมีช้างเราไม่มีอันต ร, รายมีการเปลี่ยนเบียนสัตว์อะไ ร, รพวกนั้นนะครับไม่ใหญ่กันประมาณนะครับแสดงพื้นที่สร้างวิหานะครับไม่ควรอภิลบทำ เพิส่ส่วดยติทุติยกรรมวาจากเท่านั้นนะครับเ <c oughs> พราะว่ถือเป็นกรรหนักนะกอย่างีเขาจำไม่ดีนะสวดสมุสีมาถอนสีมาให้ผ้ากัะถิญยกเลรกถินใช่ไหมแสดงพื้นที่สร้างมูลดีแสดงบุริสามิหาของข้อนี้นะครับอาจารย์เขาเมื้วท่าบอกให้จํำง่ายๆว่าอย่างนี้นะว่าสมมุติถอนสีมาให้ผ้า ย, ยกเลิกกระถินแสดงที่บุริมิหา สีมากับถินแสดงถ้าตรรมแบบั้ำๆนะสีมากับถินแสดง <c oughs> ส่วนที่เหลือจากของอย่างนั้นนะครับกรรมบาวเหล่านี้คือสมมุติสื่อสารนะครับสมมุติสื่อสารอย่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับและสมมุติมีการให้ถือเนสนาชนะคือสมมติพระเจ้าที่เองครับเจ้ า, จาที่ให้ถือช น, นาสนะนะถ้ามันจะเขาว่าแจกใช่ไหมเพอเราไม่ได้แจกสติกัน มีแต่คนที่ให้ถือศ า, าสนะนะครับอนุญาตให้คุณถือศ า, าสนะเขา้าไปอยู่ใช้สอยอย่างนี้นะและมระดกจีวรนะครับมาตราร G จีวรจีวรของผู้ตายนะครับก็จะมีการสรวดสมมตินะมอบให้เหรือปลดทําก็ได้จีวรของผู้สุขผู้ตายนะครับจะได้แก่ใครนะครับถึว่าก็มีพระในนึ่งหนึ่งนะในอยนจะสมมติ็จวัดไหนอาววัดไหนก็แล้วแต่น ะ, ะเกิดอาฆข้า ม, มานะครับ จดีวรของข้าของท่านหมดนนะจะตกเป็นของสงฆ์ครับสมบัติทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะกี่ตู้กี่อะไรเท่าไหร่นครับแล้วแต่เลยเอาอะไรเป็นไม่ได้ชั่งอย่างนะครับนี่ยตัวปากล่อนจ้อนตัวปารล่อนจ้อนไปนะของทุ่งชิ้นแม่เจดจีวรว น, นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบาทเจดจีวรเนี่ยเขาจะมีการสมมุติให้พิสูจน์หลายรูปเลยครับเขาจะให้ใครครับให้พิสูจน์ด้วยอะครับ าที่สุดผู้ประทับไข้ใช่ไหมครับผู้ดูแลไข่รุปนั้นแหละนะจะเป็นพระเป็นเนรหรือเป็นโยมก็แล้วแต่นะครับโยมมากกประทนะับผ้าเลยเกิดรูปนั้นมอมนักฆ่าตายไปครับเขาเนะี่ยก็ต้องสมมุติให้โยมนะกิดโยมมันจะเตรียมบวช น, นีกนะานะ <c oughs> อาจารย์เขาท่านที่บารขนาว่าแม้จะเป็นพยาบาลอย่างนี้นะครับเขาดูแลผ้าไข้เราบานเนะี่ยเกิดผ้าตายนะ ก็สด็จสมุอไม่นานเป็นยังไงแล้วเหรอพ่อเาต้องตักงั้งให้นะถ้าเขาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ม่นก็เสด็จสมุดใหราที่เขาไม่เอาใไหม่เขาเอาแ้คน้ไม่ได้ขอไม่แข่ครับไม่ได้รับเงินอ๋อเป็นของสงฆ์อถ้าสงก็มาแบ่งจ่ายกันก็ครับผมว่าจะน่าสลดใจมากนะผมว่าเคยเจออยู่สองครังนะ วัดกับพระพระคือพระธาตตายนะเป็นพ้าหลวงตายุ่งมากนะครับเป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นมะเร็งปอดตายนะครั Hyundai, got got บน e. ี่เนี่ยโอ้สะสมบัติทุกชิ้นเลยนะก็ต้องมาแบ่งแจกจ่ายกันนะครับเป็นภาพที่น่าสนุกใจมากเพราะว่าตอนอยู่นะมารุเนี่ยนะครับธรรมดาที่จะมีเกล็แก่าหนาเน่นนั่นยังไม่ใช่พระเลยงแน่นนะครับต้องการครอบครองสรรพสิ่งกนไปหต้นเข้าใจไหมทะเลาะเนี่ยนะ ต้งองการข้อความสัมประสิทธิ์เป็นของตนนะครับมันจําเป็นไปหมดแหละใช่ไหมเขาว่าคนที่มีปัญหามากนะจะมีความจําเป็นมากครับนั่นก็จําเป็นนี่ก็จําเป็นนู่นก็ต้องใช้นี่ก็ต้องมีครับมันจําเป็นไหมดเลย <c oughs> อย่างงั้นนะใ น, นที่สึกก็อะไรเป็นไม่ได้นะครับโอ้แต่เราถ้าเรามาคิด ถ, ถึงความจริงข้อนี้มากนะไม่ใช่เป็นคนที่ไม่สะสมบริฐามากเกินไป ว่าไปไปเพียงเพื่อแค่นั้นเองนะเพื่อว่าให้เสื้อผ้นี้ดำรงอยู่ได้สะดวกในการเป็นสมณธรรมในการสื่อสารปฏิบัติก็แล้วแต่ใช่ไหมครับมันก็จะไม่สะสมมากเกินไปพอประมาณนะครับถ้าไม่ได้ใส่ใจอะไรมากโอ้ยมันจะมีเพิ่มเรื่อยๆมัรู้ไม่รู้ทำรู้กี่ตู้นะนะครับอันนี้บอกว่าแม้ทํำด้วยปรัชกณกรรมก็สมควรแต่ไม่ควรทาด้วยอณัญาติกรรม และยะติจิตกรรมเลยนะครับอันนี้แค่นะ น, นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อกลับมาดูหน้าที่สองก่อนนะครับมาดูอตรงที่อาจารย์ต่งเลขมาให้นะครับ <c oughs> คาว่าอะไรข้อที่สี่นะ <c oughs> คําที่ต้องสวดประกาศภายหลังจากยติชื่ออนุสาวนาอนุสาว น, น, นาในแปลตามคําวิเคราะห์ อ, อันนี้นะแปลว่าคําที่ต้องสวดภายหลังนะครับคําที่ต้องสวดทีหลังนะ ทีหลังจากอะไรจากยตินะครับที่เยอะเป็นการสวดฐาแบบนันะห้านะครับมาดูความปแปลเนี้ยการตั้งยติรวมเป็นที่สองแห่งกรรมนั้นนะเห็นนั้นชื่อว่ายติทุติยานะครับกรรมมันมียติอดรวมเป็นครั้งที่สองวันนี้เขาตั้งยติขึ้นก่อนนะแต่เวลาท่านนี้ชื่อท่างก็อนยติเอเวลาเขาแปลสเขาแปลว่ามียติเป็นที่สองวนี้แล้วยติก่อนแน่ว่านี่มียติเป็นที่หนึ่งใช่ไหม นอนุสาวนาเป็นที่สองแต่นี่เป็นสำนวนเฉยๆนะครับว่ามียติเป็นครั้งที่สองนะเพราะหมายก็ว่าถ้าบวกกับยติแล้วมันก็จะมีสองครั้งอืชื่อว่ายาติทุติยาการรมได้แก่กรรมที่ต้องทํำด้วยยติหนึ่งหนอนุสาวนาหนนะอนใช่ไหันนี่ใช้ยติทุติยาการรมเป็นอย่างนี้นะฟังเห็ น, นะครับข้อหกนะครับคําที่ต้องสวดสามครั้งนะ ภายหลังจากยตินะครับหรือส่วดบ่อยๆอันนี้ชื่อว่าอนุสาวนาคําว่าอนุสาวนาไอในยติทุติยกรรมเนี่ยเขาแปลว่าคําที่ต้องสวนภายหลังนะครับคําที่ต้องสวนภายหลังจากยติแต่ว่านะครับในยติจตุถกรรมเนี่ยคําว่าอนุสาวนาแปลว่าคําที่ต้องสวนสามครั้งหรือว่าคําที่ต้องสุดบ่อยๆจะมีความแปลต่างกันผมบอกว่าอนุในที่นี้นะในยติจตุถกรรมเนี่ย ญาติาพาหลังบ่อนนะครับ <c oughs> อ่าก้อเจ็ดนะครับยติอารวมเป็นที่สี่แห่งกรรมนั้นเห็นนั้นกรรมนั้นชื่อว่ายติจตุถะนะครับกรรมมียติอรวมเป็นที่สี่รระะ ค, รร 4, คือบวกะยะติก็จะได้สี่ครั้งมีการส่วนสี่ครั้งนะครับคือ <c oughs> ชื่อว่ายติจตุถกรรมได้แก่กรรมที่ต้องทําด้วยยติหนึ่งคนอนุสาวนาสาม ออกไปนะกับมาสามนะก็มาดูตกแเรืของอาจารย์นะครับเกี่ยวกับกรรมวจารย์สมมุติสิบสามอย่างนะครับนะเจ้าหน้าที่คนแรกเลยผู้รับจีวรจีวรรับปฏิฆาโ ก, กความจริงจรมีเจ้าหน้าที่ผู้รับจีวรคนหนึ่งนะครับเวลายกเข้าจีวรมาถวายใช่ไหมมันต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับคนหนึ่งนะไม่ใช่อาจก็เจ้าหน้าที่ห้องคลังหรือไม่ใช่นะครับเจ้าหน้าที่ห้องครังก็เฉเพาะ รับปิดชอบของของที่อยู่ในห้องคลังนะครับไม่ใช่ของที่ไม่เข้าคลังเลยเลยเจ้าน้ที่ห้องคลังนี้ไม่ใช่นะคนต้องมีเจ้าหน้าที่รับจีวรคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ออกไปขเข้าขคลังพอเข้าคลังก็เจ้าหน้าที่ห้องคลงังแล้วก็เจ้าหน้าที่แจกจีวรครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็สองนะครับผู้รักษาหนึ่งคลังเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยนะพันดาคาริสนะครับแล้วนะาาะะลก็ผู้แจกจีวรแล้ก็มีคนดูรักษาอากาศ ผู้แต่งตั้งเสนาสนะ น, นี่ก็คนหนึ่งนะครับผู้ให้ถือก็คนหนึ่งแต่งตั้งก็คนหนึ่งนะแต่งตั้งนี่เป็นไงเหมือนกับว่านะเนี่ยต้องเป็นความสะอากติดทุกหลังนะ <c oughs> จะเป็นผู้ที่บอกนะครับคนถือเ็ต้อให้ถือเอาหลังหลังนี้นะแต่คนที่แต่งตั้งคนที่จะบอ ก, ก่อ น, นะครับว่าอหลังนี้ใช่ไหมมันดีนะครับมันคนที่จะถือเอาครับแต่ยังไม่ได้แจงนะ ถ้าถิ่นละคนเลือกหลังนี้เนี่ยว่าการเลือดหลนี้ใช่ไหมครับถ้าอะไรคนจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะก็จะแต่งตั้งก็จะบอกนี้นะครับเสดผู้ถิ่ถือก็คื่จะจัดให้ถิ่นเข้าไปอยู่นะครับนะคนที่มีทัง้งสองสองที่หน้าที่นะแต่ว่าเนี่ยก็รวมด้วยกันได้นะคะสมัยนี้เขาไม่นิยมเนี่ยนะเอาแต่งตั้งกัดให้ถือคนเดียวกันบอกว่าตอนแรกมีคนจัดคนหนึ่งใช่ไหมจัดที่จะให้อยู่คนหนึ่งแล้วมีคนให้เข้าไปถือถอีกคน แต่ทอนนี่คือรวมกันเลยใชครับอย่างนี้นะฮะแล้วก็อะไรเนะ่ยผู้แจกท่านะครับผู้แจกอาหารต้องมีคนนะครับผู้แจกยาครูนี่ก็ยังแยกกันอยีกแน่เนี่ยแต่ยาครูมันก็อาหารแต่พัดายาครูพัดกลมใช่ไหมนะครับผู้แจกผลไม้นี่ก็อคนนะครับ แ, แยกหมดเลยนะผู้แจกของเคี้ยวนะครัขนมอะไรอย่างเงี้ยนะของคเคี้ยวแล้วผลไม้รากมา ผลไม้คนนึงของเคีย้ยนเองผีแป้งคนเคี้ยวล่าคนเคี้ยวดอกคนเคี้ยวใบคนเคี้ยวสารพัด น, นะครับผู้แจกของเล็กน้อยนะครับอผู้แจกผ้า น, น้าฝนเนี่ยก็มีคนหนึ่งนะแจกจีวัลคนหนึ่งแต่ที่แจกผ้า น, น้าฝนยังมีรูปหนึ่งนะครับผ้าน้าฝนที่แบบตามกามนะั่นใช่ไหมที่เราเรียนสิขาบทนั้นนะครับเวลาที่เข้าภรษาเขาก็จะมีการแจกผ้า น, น้าฝนสมัยก่อนที่มีนะครับผู้แจกบานนะครับ หมายเพราะว่าเป็นพิสษุน์ให้เปลี่ยนบาดนะในสิข้าคนไหนนะที่พิพสูจมีบาดมีรอยแผลยังไม่ถึงห้าแผลเลยใช่ไหมครับมีบาดนะมีรอยยังไม่ถึงห้ารอยเลยก็ไปขอบาดใหม่มาแล้วนะหรือเบอกว่าบาดใหม่มานะครับบาดใบนั้นก็ต้องทำไงละ่ะต้องมาสายทํามางสงแล้วก็ให้พราต้องแต่งพระีรีนาไล่ถึงนวการเนะี่ยมาเลือกบาดใบนั้นใช่ไหมครับก็ะจะมีสมมติหน้าที่รูปนึง ที่เป็นผู้แจกบาทใบ น, นี้นะครับให้ถือเอาบาทกันนะ<ม>ผู้ใช้คนวัดก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ใช้สามเณรก็อีกคนหน่รวมเป็นสิบสามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนะเป็นบุรุษอาชาในมีความสามานะครับจะรับคนนี้ได้ถึงสามตำแหน่งเลยก็ได้นะคร<ม>ับไม่มีปัญหานะไม่ผิดอะไรนะครับรับไ้เลยเรียบ<ม>บุรุษอาชาในนะคร<ม>ับถึงแม้จะน่าที่ อ่าครับผมเล่าผู้เรียนท่าน่าศึกษาตำแหน่งเลยน ะ, ะผมชอบหน้าตอนที่อาจารย์คนไปได้มาบอกท่านจะเล่เลยทุกตำแหน่งศึกษารตำแหน่งแรงหมดนะครับ <c oughs> และก็หาผู้ช่วยนะใครจะมาช่วยท่านบ้างใช่ไหมอืมครับหาผู้ช่วยนะเ <c oughs> ป็นตุลาให้เฉยนะครับไม่ใช่ว่าทางโรงี้นทุกอย่าง <c oughs> ไม่มีใครอยากจะครับใช่ไหม <c oughs> ผมเล่าเองสมมุติผมเลยทุกเจ้าหน้าที่นะครับแต่หาผู้ช่วย <c oughs> ได้นะครับแต่ว่านะครับอะไรนะมันจะมีเจ้าหน้าที่สนาหสนะก็มีได้หลายคนนะครับแต่เจ้าหน้าที่ที่เหลือนะถ้ามันจะไม่ผิดรู้สึกว่าท่านบอกว่าต้องรูปเดียวนะครับหลายรูปไม่ได้นะคือเจ้าหน้าที่หลักที่มีการแต่งตั้งนะต้องรูปเดียวนะครับถ้าว่ารูปเดียวไม่สามารถต้องสองรถจะสามารถอย่างงี้นะไม่ได้ครับก็ถือว่าคนนั้นมันมีความสามารถแแรงนะครับต้องคนที่มีความสามารถเป็นนะ เห็นเช่นแจกอาหาอย่างนี้นะแล้วคนเดียวได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ต้องสามลูกอย่างนี้นะก็ไม่ได้ครับก็ถือมมมามมาไม่มีความสามารถนะก็คนที่มีความสามารถคือคนที่็ขาสา ม, มารถทำงานได้ครับสมมุติเข้าไปอย่างนี้นะแต่ถ้าการพิจารณาหน้นี่มีเป็นอะไรมัหนักหน่อยนะนั่นหลายคนได้คนระับแต่ว่าถ้าคนเดียวรับหลายตำแหน่งมีปัญหาเอยช่วงนี้ตําแหน่งว่างเยอะเลยใครจะต้องสมา ตำแหน่งบ่างอันเดียวใช่ไหมครับนี่ผมก็เลตั้งสี่ตำแหน่งนะครับเล่านเดียสี่ตำแหน่งนะทอนนี่นะครับมีเจ้าหน้าที่อะไรข้องคลังนะครับแจกของเล็กน้อยแจกอาหารแจก อ, อาหารในผมวก็เข้ามาช่วยนะไม่ได้สมมุตินะครับเพราะไม่มีใครทําเข้ามาช่วยาหามาในตู้นัแล้วก็แจกมาอีกหลายแจกว่าไรนะครับสี่ตำแหน่งเลยะครับอืมปัญห า, ะะญหาท่านจะมาทําได้ไหมต่อไปนะครับ อันดสองนะั้นอาจารย์บางพวกกล่าวว่ายติทุติยกรรมนะั้นเมื่อทําด้วยอํานาจยติจตุถกรรมย่อมเป็นกรรมมั่นคงกว่าใช่ไหมยติทุติยามันสือแค่สองครั้งนะเราจะตุถะไปเลยสีครั้งนะครับมันต้องหนักแน่นกว่านะครับนะี่อาจารย์บางพวกว่าอย่างนี้นะครับเพราะเห็นนะั้นจึงควรทําคําของอาจารย์พวกนั้นได้ถูกคัดค้านเสียแล้วเนาะ ว, ว่า ก็เม <ersch> ื่อเป็นเช่นนั้นความสังเัดคือความคล้ากันนะแห่งกรรมย่อมมีเพราะนั้นจึงไม่ควรทํานะครับไม่ต้องทําลยเมื่อมันก็มั่วปนไปหมดเลยครับกรรมไหนเป็นกรรมไหนน่ะมาทําปนกันได้หมดอย่างนี้นะไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่ายติทุติยาก้าพอเราไปทำเรื่อยยติจุดฐานแล้วจะหนักแน่นขึ้นไม่ได้นะครับไม่ควรทำการทำเรื่อยยติทุติยกรรมนั่นแหละนี่นะยติจุดากรรมนะครับ ต้องทําด้วยการสวดยศติและอนุสัมภนามาสามครั้งนะครับไม่พึงทําด้วยอำนาจกรรมหรืมีอัปโลกนักนกรรมเป็นต้นนะครับ <c oughs> ก็ถ้าว่ากรรมนั้นผิดพลาดโดอัคราก็ดีอักคราไปที่รีฮีนังนี่ยที่เราเน้นการนึกกรรมวาจาใช่ไหมอัคราผิดนี้ไม่ได้นะมาอย่างกรรมวิบัติเลยนะครับเช่นสวดสุสอักษร น, นาอักษรและตุอักษรเป็นต้น ในคําว่าสุนาสุเมเป็นต้นผิดพลาดนะครับสุนาตุเมใช่ไหมเอาออกเสียงเป็นอะไรสุนาถูนี่ครับถูถถนี้เลยนะผิดเลยครับสุนาก็เป็นสุ น, นัน <c ười> เอาไปเสียนีิก็เหินนะสุนังครับไม่ได้หรว่าวิบัติเลยนะวิบัติใช้ไม่ได้เลยนะครับเป็นตน้นเอาผิดพลาดผิดพลาดลืมบทก็ดีนะคะระับปัทหกอริยนันนะครับ เช่นนะครับอัคคะพงไล่แต่ละตัวนะการสวดบทอมีวิพากษ์เป็นที่สุดเป็นต้นว่าสุนาตุผิธาเอาผ้าไปบทอย่เลยนะมีบทที่สวดไม่ชัดเจนก็ดีุรุปปทานนะครับซึ่งจะอธิบายข้างหน้าเดี๋ยอาจารย์อธิบายข้างหน้าไปตางหลังนะว่าแต่ละอย่างมันไม่ดีไม่ดียังไงนะครับการที่สวดซ้ำๆเพื่อชำระกรรมนั้นก็ควร เขาเรียกว่าทำทันทีใช่ไหมบันทีมันสวหน้าขรางไม่ได้อะไรนะครับก็อส่วนใหม่ย้ําไม่ทีนะครับอันนี้ได้ทันทีกรรมนะทําให้หนักนั่งเข้านะครับในเมื่อกรมที่ทําไว้ก่อนเป็นกรรมที่ไม่กรรมเลิกกวันแกะฐาหนะการสวดซ้ซําๆนี้เป็นทันธีกรรมทําให้มันองยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นการบวชใช่ไหมบวชแ้วครั้งหนึ่งครับ เราก็ว่าได้ไม่ผิดอะไรนะแต่แอบมันชั่วๆนะขอทันทีสักครั้งหนึ่งนะครับให้เข้าญาติให้ใหม่อย่างนี้ได้นะครับไม่ถือว่าผิดพลาดอะไรนะถือว่ า, าใช้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับอเ mm hmm. มือ่อเหมือนกับการผูกซ้ําด้วยเชือกเส้นที่สองแลกษาเป็นต้นนะครับในสิ่งที่จะต้องผูกด้วยเชือกเพียงเส้นเดียวผูกด้วยเชือกเส้นเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้เราแปลงรากที่สามเส้นเลยนะครับมั่นคงเลยนะ ในเมื่อกรรมที่ทําไว้ก่อนเป็นกรรมที่กำเลิกถึงวัากรรมที้ทําไว้ก่อนมันใช้ไม่ได้นะครับมันกำเลิกนี่นะทำไมบวไม่ขึ้นอย่างนี้นะสมมตินะครับไม่ควรแก้ฐานะด้วยความสามารถการสวบผิดพลาดเรื่องขลาดเป็นต้นนะครับการสวดซ้ําๆนี้ย่อมช่วยทําให้กลับเป็นกรรมที่บริสุทธิ์ถูกต้องได้ใช่ไหมมันก็สามารถแก้ไขกรรมได้นะครับ พราะได้ชำระสืบิผิดพานั้นเนะพราะตอนแรกผิดพลาดึืบไม่ได้พราะมาส่วนใหม่นะมากรรมเป็นกรมกรมที่บริสุทธิ์สําเร็จประโยชน์กรรมขึ้นมานครับเนี่นะอาจารย์ผู้ประเสริฐทั้งหลายอาศัยปาฐานนี้แล้วย่อมการทำสมบุกกรรมย้อมาหลายๆครั้งแม้แก่บุคคลดีนะครับที่ประเทศพม่า ก, ก็นิยมกันอย่านี่ยนะนิยมส่วนบวชครั้งนึงนะครับก็มาทันทีนกัหลายครั้งเลยนะ เรื่มั่นคงคร <c oughs> อาจารย์มันพวกกล่าวว่ากา่าวว่าการสวดซ้ําย่อมควรนี้ข้าแต่าอาจารย์ท่านกล่าวหมายถึงคำที่ควรสวดซ้ำๆในเวลาทำกาครั้งแรกเพื่อชําระคมที่สวดไม่ดีเท่านั้นนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นมนติของอาจารย์มางพวกนะครับว่าสวดซ้ำๆหมายถึงสวดซ้ําตอนนั้นแหละนะพันเตพันเต ไม่แน่ใช่ไหมทันเตแมายถึงซ้ำมานั้นเนี่ยนี่นะอาจารย์มันพูดว่าอย่างนั้นนะครับนี่ครับนี่นะอ๋อเนาะในเวลาทำความครั้งแรกเพื่อชําระคำที่สุดไม่ดีเท่านั้นไม่ใช่หมายถึงเวลาที่ผ่านมานานแล้วดังนี้นะครับคํานั้นนะคําที่ว่ามัน่นตีนะครับไม่ได้มาในตากถาเลยไม่ได้วินิจฉัยไม่ได้ตีการทั้งหลายด้วย เป็นเพียมติของอาจารย์หลักนั้นเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ควรถือตเอไม่ให้ถือเอานะครับ <c oughs> คือสวดซ้ําภายหลังเลยได้นะ <c oughs> คําที่สวดซ้ําในภายหลังจะที่ได้สวดย่อมาสวดซ้ําบ่อยๆในขณะทํากรรมครั้งแรกนะครับถึงแม้จะผ่านมานานแล้วก็เป็นคําที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก <c oughs> จริงอยู่ว่าเมื่อสวดบ่อยๆในเวลานั้น แล้วก็เน้นพันเตะพิขู่ใช่ไหมพิขูเนี่ยนะก็เน้นตอนนั้นนะครับสูงว่าถ้าเน้นแค่ต่อนนั้นเป็นยังไงในเวลานั้นนะครับถ้าสวดซ้ำด้วยดีก็จะพึงสามารถชาระยะติโทษและอนุสาวานาาโทษที่ยังไม่ถูกได้ใช่ไหมยติอนุสาวนาขละไม่ดีเราไปย้ํำหลายครั้งนะครับมันก็ถูกต้องเข้ามาได้ เขาเียว่าชำะชําระยะติอนุสาวนาได้นะครับแต่มไม่สามารถชําระโทษในครอวัตถุวิบัติสีมาวิบัติและบริสัมวิบัติได้นะ<ม>ถ้าคนนั้นน่ะค้ายุยังไม่ถึงยี่สิบปีเลยใช่ไห ม, มคุณจะสวดซ้ํากี่รอบก็แล้วแต่ก็สวดซ้ําตรงนั้นแหละนะ ค, คนกคนเดิมมันก็ไม่ขึ้นสีมาก็เอออยู่ในสีมานั่นแหละถ้าสวดสีมาวิบัติใช่ไหมครับ<ม>จะย้ําที่ขูสสลายเทียว ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นเลครับหรือบริษัทวิบัตินี่นะก็ไม่ขึ้นาหมายความว่าการสวดซ้ําๆในขณะนั้นไม่สามารถชําระโทษในเพราะวัตถุวิบัติสีมาวิบัติและบริษัทวิบัติและวิบัติเหล่านั้นได้เพราะวัตถุก็ยังคงเป็นวัตถุเดิมสีมาก็สีมาเดิมบริษัทก็บริษัทเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราย้ายที่มันจะดีใช่ไหมครับ <c oughs> สีมาที่ใหม่เนี่ย ได้นะวัตถุได้บริษัทได้แต่เมื่อสวดพายหลังจากนั้นมานะครับวัตถุที่เคยวิบัตในครั้งก่อนเพราะมีอายุไม่ครบยี่สิบปีก็กลายเป็นวัตถุสมบัติในบัด น, นี้ใช่ไหมสมมติว่าตอนนั้นแก่ยี่ไม่ถึงยี่สิสบสวดบวชไปแล้วนะครับเนี่ยนะทีนี้หนึ่งปีผ่านไปนะครับก็มาสวดทันเฮียแกอีกครั้งหนึ่งตอนแรกแกบวชไม่ขึ้นใช่ไหมเพราะยีออ่ไม่ถึง ความมตติเรามาทันทีให้นะครับการยึดครอบยี่สิในบุญขึ้นนะครับสีมาที่เคยวิบัติโดยความเป็นสีมาสังกัดเป็นต้นคือสีมาข้างเกีย่กันะตอนนั้นนะครับนี่นะแม่บริษัทที่เคยวิบัตินะครับดี้ก่อนนะก็กลายเป็นสีมาสมบัติเพราะได้ชําระด้วยดีในบัณฑ์หรือเพราะได้ทําในสีมาอื่นที่ไม่วิบัติใช่ไหม แล้วก็ย้ายวัดไปทําที่อื่นนะครับเนี่ยสีมาที่เคยมิบัตรก็จะสมบริบูรุษขึ้นมาได้ชำนาญได้ น, นะครับ <c oughs> แม้บริษัทที่เคยมิบัตรเพราะการรมที่เป็นวัดเป็นต้นก็กลายเป็นบริษัทสมบัติในบัตรนี้นะครับเพราะได้ชําระแล้วด้วยดีการส่วนในภายหลังจากที่ได้สวดซ้ําๆในครั้งแรกถึงแม้จะผ่านมานานแล้วก็คุณทราบว่ามีผลมากมีอานิสงส์มาก พ่อสามารถชาระสมบัติทั้งห้าและทงสมบัติทั้งห้าให้ถึงพร้อมได้ตามอาการดังกล่าวมานี้นะครับดีทั้งนั้นนะคราบไม่ต้องกลัวนะย่าติรา้ายครั้งนี้นยิ่งดีนะครับผงสักกี่ชั้นดี่ะผงสักห้าชั้นอ่ะสีสัห้าเที่ยงนี่นะไม่ต้องกลัวนะครับมีแต่ดีนะไม่มีเสียทวงว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่กลายเป็นพระใหม่ไปหรือนี่นะ ไปยันติแห้หลงพี่ท่านใหม่นี่น่ะถ้าไม่กาามา ล, มา ล, ลายเป็นผ้าใหม่เนะะื <c> ้อ <oughs> ท่านบวชมาแล้วน่ะอะไรห้าพรรษาใช่ไหมครับไปยันติทันทีกรรมไม่ท่านใหม่นี่ยถ้ามันเป็นผ้าใหม่เลยครับนี่นะถามนะครับแก้ว่าไม่เป็นนะครับถามว่าเพราะอะไรแก้ว่าเพราะไม่ได้สะอาดสิขาเก่าท่านไม่ได้สะครับอธิบายว่าเท่าผสมกฎกรรมที่ทําไว้เก่อนนั้นสมมูรณ์อยู่แล้ว ถือว่าถ้าครั้งแรกนะครับหรือที่ทั้งบวดขึ้นอยู่แล้นี่นะก็ไม่กลายเป็นผ้าใหม่เพราะว่าถือว่าเป็นผ้าอยู่แล้วเา่าผสมบทที่ทําไว้ก่อนนั้นไม่สมบูรณ์นะครับถือว่ามันไม่บันนะก็จะสําเร็จเป็นผ้าใหม่ตอนที่ส่วนในภายหลังซึ่งเป็นกรรมที่สมบูรณ์นี้นะครับเนี่ก็เป็นพ้าใหม่ขึ้นมาจริงๆนะเพราะว่าถ้าตอนนั้นบวชไม่ขึ้นจริงๆนะครับตอนนี้บวชมันก็ถือว่าเพิ่งเป็นพระตอนนี้นะเป็นพระใหม่จริงๆ ถามว่าถ้าเพิ่งจะเป็นพระใหม่ในบัด น, นี้อย่างนี้นะครับแต่ยังนับพรรษาตามที่บทครั้งก่อนนะครับรู้ทั้งรู้ว่าตอนแรกตัวเองบวมไม่ขึ้นรอกไม่ถึใจเลยเพิ่งจะมาขึ้นตอนนี้นะครับยังยอมรับเนี่ยสามีจิตกรรมมีการถามบ้าตามระดับผู้แก่เป็นต้นเนี่ยจะไม่พึงมีโทษหรือนะครับแก้ว่าเมื่อรู้อยู่ว่ายังไม่เป็นพระในกรรมครั้งแรก เพิ่งจะเป็นตอนที่ทํากรรมย้ำในครั้งหลังนะครับตามความเป็นจริงน ะ, ะรู้ทั้งรู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยบวชใหม่ๆนะเขารู้ดีใจใจผู้ศึกษามีนายเยอะนะครับไม่ใช่มาศึกษาเรามีโทษนะ <c oughs> คือถ้าท่านศึกษาเยอะนะท่านคงมไม่ไปบวชในวันนั้นน ะ, ะหรือว่าถึงไปบวชก็จะรีบทันทีเลยใช่ไหม <c oughs> บวชเป็นพิธีเฉยแล้วรีบทันทีเลยนะคะรับยังขืนรู้ทั้งรู้ว่าตอนนั้นมันเป็นพาะใช่ไหม ผมมาเป็นตอนเนี้นะยังขืนท e ําก <Yeah. S 1> ิจมีการรับพรรษาเป็นต้นตามที่ทํากรรมในครั้งแรกก็ย่อมจะมีโทษนะครับเพราะถือว่าตัวเอ้เพิ่เป็นพระนะแต่ยังไปรับพรรษาเดิมนันไม่ได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้อย่างนั้นนะครับเข้าใจว่าตนเป็นพระตั้งแต่กรรมครั้งแรกนะครับเราก็เข้าใจว่าเป็นพแต่เราบวชตั้งแต่ทีแรกแล้วใช่ไหมผมไม่เคยคิดว่าผมไม่เปานพรตั้งแต่แรกผมว่าฉันเป็นพาะตั้งนานแล้วใช่ไหม จึงทํากิจดังกล่าวถึงเศร้าไม่มีโทษนะก็ไม่มีโทษนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยท่านยังไม่ได้ปรับใจไม่ได้รู้ใช่ไหมว่ามัานเป็นพระอันนี้ว่าครบแล้วอุปสมบทให้ไม่ต้องอาบัตินี้นะครับนี่ดีกว่ า, าข้างไปที่ฝันไม่มีโทษนะดังสาที่มาในสมติภาษาดีกาว่าในข้อว่าสำคัญบุคคล ที่มีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีว่าครบแล้วอุปสมบทให้ไม่ต้องอางบัตินี้นะครับไม่เป็นแองปกแกวิสุขผู้เป็นอุ ป, ปชาเพราะาถ้าไม่รู้ให้อุปสมบทก็จริงถึงอย่างนั้นบุคคล น, นั้นก็ยังจัดว่าเป็นอนุปสัมบันอยู่นั่นเองก็ยังไม่เป็นพระยังเป็นเนมเป็นโยมเหมืเดิม น, นะครับถ้าผ่านไปสิบปีนะคนที่บวชไม่ขึ้นรูปนั้นนะครับบุคคล น, นั้นได้เป็นอุ ป, ปชาให้อุปสมบทผู้อื่น ถ้าหากว่าชนะนะครับย่อมมีอยู่ครบโดยที่ไม่รวมบุคคลผู้เป็นประชานั้นผู้อื่นนะครับนั้นก็เป็นท้าสมบูรณ์อันนี้ว่าแล้วเี<ม>่และขักคันตรายนะครับความเป็นอันตรายแก่สุคติและหมกขันตรายความเป็นอันตรายต่อการบรรลุ ม, มตผลนิพพานก็ยังไม่มีนะครับแอบบุคคลที่บุตก็ยังไม่มีนะ แกบุคคลที่เป็นประชาแน่นั้นนะครับตราบเท่าที่ยังไม่รู้เพราะถ้าย่งไม่รู้ใช่ไหมความจริงนะแต่ท่านรู้แล้วต้องประสมบทใหม่ครับตอนที่ยังไม่รู้ก็ถือว่าไม่มีโทษอะไรนะขณะว่าตั้งตัวเป็นประชา่รยเหลือคนอื่นแล้วนะไม่ข้าไม่กล้าอะไรครับแต่พอรู้ข้อมหลอะนี้ไม่ได้เลยก็ให้บทใหม่ก็เป็นรายละเอียดด้านในวิทยาลังกาละนะถามว่า กรรมสี่อย่างนี้ย่ยอดวิบัติโดยเหตุเท่าไหร่ครับนี่นําพูดถึงกรรมนะอาจารย์ ก, ก็เลยพูดวอกมาถึงเรื่องําทันทีกรรมต่อเลยคบส่วนใหญ่ที่วิบัติก็อ็จจะเป็นกรรมวาจาอาลาสนะครับเบขเ า, า, ขาขไม่ค่อยได้เน้นนะเกียการมบวชนี่นะครับไม่ค่อยเน้นนะคแล้วก็เกียสีมาร์นีนะครับถ้าไม่ใช่ท่าทาสีมาร์นี่นนะ สีมาเกลจะข้าวเกี่ยวมีสายไฟเข้าไปในสีมานี่นะครับจะมีบาสนะอันนี้ก็จะพูดถึงกรรมวิบัต น, นะครับกรรมเนี่ยวิบัติได้นะครับด้วยเหตุเท่าไหร่ต่อว่ากรรมสี่อย่างย่อมวิบัติด้วยเหตุห้านะครับกรรมมีสี่ะแต่วาาแต่ละอยานนะ่างเนยจะวิบัติได้ด้วยเหตุห้าอยา่างคือโดวยวัตถุนะครับคนที่จะบวช น, นี่นะเป็นต้องนะครับ โดยยตะะิหนึ่งโดยอนุสาวนาหนึ่งโดยสีมาหนึ่งโดยบริสันตหนึ่งก็ห้าอย่างะคราวที่มาค่อยว่าทราวต่อไปะครับนี่นะดิมุกเดลาครับโอ้จะเพิ่ได้ห้แน่เลยนี่จะได้ไอ้พวกนี้ค่มาฟังครับ